ชีวิตที่เกิดขึ้นในวันนี้มาจากการดิ้นรนต่อสู้จากคนที่เคยไม่ไม่เหลืออะไรเลยกลายเป็นพ่อค้าต้องเสียบลูกชิ้นไปขายข้ามถนนก็เคยทำมาแล้วแขกรับเชิญของเราคือคุณณกรกริรันครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนบอกผมว่าวันนี้คุณณกรดังมากอยู่แล้วเป็นที่รู้จักในฐานะคนอายุไม่มากแต่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจทางด้านเวชกรรมความงาม มีรายได้ต่อปีของธุรกิจนี้เป็นหลายหายพันล้านครับหลายๆพันล้านก็ฟังดูเออน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเวลาเราได้ฟังว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้เป็นอย่างไรคุณนกกรบอกว่าผ่านมรสุมมาเยอะตั้งแต่เด็กเลยครับไลน์ตั้งแต่ต้นๆเลยครับโตขึ้นมาในครอบครัวแบบไหนครับคือจริงๆบ้านผมเนี่ยอยู่สุพรรณบุรีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ อยากให้เราเรียนหนังสือสูงๆเพราะฉะนั้นคนต่างจังหวัดก็จะส่งลูกมาเรียนที่กรุงเทพที่กรุงเทพครับเราก็เติบโตมาจากกรุงเทพคุณพ่อแม่ก็ทํางานที่บ้านปล่อยเงินกู้ทําธุรกิจที่ดินครับแล้วมาเจอมลสมครั้งแรกเนี่ยเจออย่างมันคืออะไรคือจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเนี่ยจากที่เด็กติดเกมงามเงทุกอย่างใช้เงินอยากใช้ก็ใช้วันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเสียตอนอายุสิบเจเนี่ย คุณพ่อเสียทุกขาตกรรมนะครับตอนนั้นก็เป็นคดีที่ค่อนข้างครึกโครงมากลงหนานึ่งไหมลงหนาหนึ่งอยู่หลายวันครเออทุกขัตกรรมมันเนื่องมาจากธุรกิจเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับช่วงนั้นก็ถือว่าค่อนข้างไายแรงอาโหดมากครับครับพอคุณพ่อเสียแล้วเนี่ยเรื่องฐานะการเงินทางบ้านทำยังไงต่อฮะคือตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เล่นเล่นหุ้นในตลาดรับด้วยแล้วก็มีที่ดินที่ซื้อขายด้วยครับแล้วก็มีเงินกู้ก็น่าจะมีเงินเก็บเยอะค่อนข้างเยอะ ผ ม, มอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็ถือว่าผมก็ยังใช้ปกติคุณพ่อเสียก็คุณแม่มาดูกิจการทั้งหมดเมื่อมาดูกิจการทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าบริหารเงินยังไงเป็นไม่ๆม้ก็มีคนเข้ามา ม, ามีคนอื่นมีชายาาอื่นเข้ามาใช่มีเรื่องเรื่องการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องผลคือคือก็หมดทุกอย่างเรียกว่าภายในสองสามปีเนี่ย หมดเลยที่เหลือหมดเก็บมาผมขอเปิดตู้เซฟในในธ น, นาคารดูตอนนั้นก็ก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมทาไมคุณแม่ถึงแปลกแปผมก็ก็ขอเปิดตู้เซฟขอต่างๆผมก็เลยข อ, เ, อเงินคุณแม่บอกมีปัญหากันท ะ, ทะเลาะกันผมไม่แห ล, ละผมขอสองล้านผมก็ต้องได้ส่วนเดี๋ยวคุณคุณขอสองล้านหมายว่าคุณจะแยกออกมาหรือคุณแม่มีครอบครัวใหม่หรือยังไงผมไม่เข้าใจจะแยกออกมาแต่ดูแลตัวเองใช่ทะเลาะกันแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ละ ถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราอาจจะแย่ในใ น, ในในตอนนั้นนะฮะที่ผมมองเสร็จผมก็เลยเอ๊ะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยมาปล่อยเงินกู้ดีกว่าเราเป็นปนักศึกษาใช่แล้วเราก็ไปปล่อยกู้แม่ค้าด้วยใช่คือมันมันจะมีเหมือนมีคนบอกแนะนําต่อว่าเอ๊ะคนนี้สิ อ, อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวเขาว่าเราจะตามทวงนี้เขาไม่ไหวอ่ะเทคนิคผมที่บอกว่าอ๋อคุณแม่ให้มาปล่อยถ้าปล่อยให้สองแสนบาทถ้าทางนี้ตรงนะให้ต่อทุกเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะคุยคุณแม่ให้ เป็นสามแสนเป็นสี่แสนมีผู้ใหญ่ดูแลอยู่เป็นจริงไม่มีหเราดูแลเองนะฮะตอนนั้นเราปล่อยเงินกู้ก็ปล่อยระยะหนึ่งแล้วเงินมีเงินหลายล้านเลยพอเรามีเงินปุ๊บเราปล่อยต่ออแล้วเวลาเขาไม่จ่ายทําไงโนติเข้าไปเลยโนติคุณเหอคุณมีทนายด้วยผมพิมพ์เองเลยคือจริงๆเนี่ยการทําโนติจะทําไม่ยากก็จดหมายนี้จากสํานักงานทนายความชื่อนี้แต่งตั้งตั้งชื่อให้เสร็จสรพเลยให้ชําระนี้ภายกี่เดือน <c oughs> ถ้าไม่ชนะหนี้พายนนจะฟ้อง <c oughs> ทํามาสักพักสักปีหนึ่งปี4ี่ศูนย์มาถึงเงินกู้ผมทั้งหมดอยู่ที่ลูกหนี้หมด <c oughs> ลูกหนี้หมดลูกนี้ไม่มีใจ <c oughs> เป็นหนี้สักเท่าไหร่ตอนนั้น ห, นหลายล้านอะหลายล้านช่วงผมเรียนอยู่ตอนตอนปีสองผมก็ในในห้องเรียนก็จะมีรุ่นพี่มีมีมีพี่สาวเพื่อนซึ่งว่างก็จะไปทำํำมาข้าวกินผมก็จะตามไปด้วย <c oughs> พี่สาวเพื่อนเพื่อนผู้หญิงผมเนี่ยเสร็จแก้ไยแกขายประกันบริษัทหนึ่งแกก็บอกโว เอกเขาใจตัวเองมากไม่เชื่อหรอกว่าจะทํางานบริการได้งานประกันเขาก็ท้าทายผมซึ่งอะไรที่ท้าทายเนี่ยผมชอบมากเลยโอเคแล้วตอนนั้นกำลังต้องการรายได้ด้วยตอนนั้นคือทําคิดว่าตอนนั้นทํำเล่นๆทำเพราะคำท้าทำเพราะคาท้าไปเป็นเซลล์ขายประกันขายประกันคือจริงๆเนี่ยการขายประกันผมว่าผมได้ประสบการณ์ทุกๆช่วงอายุผมมากเลยผมต้องไปนั่งฟังเป็นชั่วโมงรู้จิตวิยาการขายอย่างผมเนี่ยขายประกันคนดูเนี่ยครับ ผมไม่ต้องมาอามามาแบร์ขายนี่เลยกระดาษไม่ต้องอผมคุยเรื่องส่วนตัวของคุณดูสักสมชั่วโมงดูครับเป็นไงครับงานดีครับตอนนี้ก็สัมภาษณ์รายการเนี่ยครับเหนื่อยไห่ครับเนี่ยผมเห็นใจครับเนี่ยดูครับแล้วก็คุยไปเรื่อยแล้วต้องดูไม่พูดเรื่องของที่คุณดูไม่พูดเด็ดขาดจุดหนึ่งที่คุยไปเรื่อยจะจะรู้คุณดูชอบอะไรหนึ่งจุดหาให้ได้ว่าคียนั้นคืออะไรหาได้ปุ๊บ อ๋อโอเคครับโหชอบมากเมานิดดีใจไม่เจอพี่ดุจบหนึ่งวั น, <ไป S 2> นวันแรกเนี่ยไม่แตะเรื่องขายเลยอยากขายคนจะขายประกันได้ต้องขายใจได้ก่อนอเมืม่อได้ใจปุ๊บเนี่ยอยากให้ฝากเงินนิดนึงมาช่วยกันนิดนึงคุ้มครองเกิดมีอะไรไปฝากดูแลได้น้อยมากเท่าไหร่ล่ะความเกรงใจมาแล้วทนฟันกูตั้งหลายวันความเกรงใจมาแล้วโอเคผมเนี่ยขายประกันเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเหรอในช่วงอายุยี่สิบ หมายถึงว่ายอดขายของคุณเนี่ยเมื่อเทียบกับบริษัทนี้ในประเทศนั้นในประเทศนู้นในประเทศนี้ในเอเชียเนี่ยรับรางวัลรับโล่รับเป็นต่างไปไม่หมดเลยช่วงนั้นเนี่ยก็ประกอบกับเก็บเงินกู้ไปด้วยครับโอ้ก็ใส่โซดนะตอนนั้นอายุสิบเก้าสิบว่าอันนี้มาช่วยวิจัยตอนตอนสี่หนึ่งได้ได้ส่วนหนึ่งช่วงนั้นน่ยคือช่วงเก็บเงินกู้ไม่ได้เงินที่ได้เคยได้แต่เดือนสมมุติเราได้มาเดือนเท่านี้แล้วก็ปล่อยต่อมันจะได้ทวีคุณมาเลยได้เก็บไว้กับตัวใช่เมื่อเงินกู้ไม่ได้ ไม่มีเงินอ่ะเสร็จเราทำยังไงอ่ะตอนนั้นผมนั่งคิดอยู่ทายังไงดีก็จากเงินกู้ก็ไม่ได้ประกันเราก็ไปไม่ค่อยบ่อยผมก็ทำยังไงดีนะก็ช่วงนั้นเนี่ยก็คิดทำ MLM เราได้หลัก MLM สมัยก่อนเนี่ย MLM มาขายตรงขายตรงมาเอ๊ะทำยังไงเราไม่เคยฝึกให้เป็นลูกจ้างคล้ายๆขายประกันใช่ไใช่ผมก็ไปทำ MLM อีกซึ่งตอนนั้นผมทาก็ก็ไม่ค่อยดี ต้องบอกก่อนนะบ้านผมมาดนยึดไอ้ดนดนยึดนี่ไงไล่ออกจากบ้านเลยหรอบ้านดนยึดจะมีที่สุนันก็ยังอยู่ที่เดิมอยากจะฟ้องก็ฟ้องไปอ๋อยังไม่ได้ออกจากบ้านใช่อยากจะฟ้องยึดแล้วจะขายทอดตลาดแล้วรถผมจอดไในหน้าบ้านอาบน้ําอยู่ที่เสียงสถานรถผมก็เลยไปดูมีใครก็ไม่รู้ขับรถผมไปเลยขับไปเลยขับไปเลยก็ไม่มีรถใช้แล้วช่วงนั้นเนี่ยร่างว่าที่บอกคุณแม่ผมมาคนเราทุกคนเนี่ยเวลาสร้างบ้านเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ในบ้านต้องมีนะฮะต้องมีผมเองก็ ตกแต่งภายในแปลว่าลงไปอีกหลายพอสมควรเสร็จผมก็ก็จ้างอินเดียมาตกแต่งแล้วผมก็ดูอสเปกมันไม่ได้อ่ะเอาไปเมื่อรอบทางบัญชีทางนู้นเรียกเก็บเงินมาก่อนแล้วก็จ่ายเช็คไปก่อนไปดูเสร็จสเปคไม่ได้วันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยเอาตำรวจมาเลยเช็คเด้งเช็คเด้งมาแจ้งจับตอนสี่โมงเย็นพาไปห้องขังแล้วใช้ผมจ่ายเงินให้เขาเหมือนบีบให้ผมจ่ายอ่ะผมบอกไอ้ไม่ไม่มีผมอยู่ในห้องขังมันสี่ห้าชั่วโมง อมเมื่ออายุยี่สิบตัวนี้ถึงตอนที่มันหนักที่คุณว่าคุณคิดสั้นเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยคือจุดตอนไหนที่แบบยือช่วงนี้แหละคะช่วงนี้เลยเพรามันไม่ไหวแล้วมันคือช่วงเวลาไหนคือช่วงนี้แหละค ะ, ะคือช่วงนี้เนี่ยคือสามสิ่งมผมเชื่อยอย่างผมมชอบคิดว่าทําไมคนเราคิดสั้นอืเมื่อนึงเนี่ยต้องบอกกันว่าผมพ่อผมเสียเนี่ยทุกๆวันตอนที่คุณแม่ผมยังดูแลธุรกิจอยู่ผมเนี่ยกลับขับกลับบ้าน ทุกวันกรุงเทพสุพรรณทุกวันแล้วก็นั่งคิดเรากลับบ้านเราจะเจอแม่เราไหมเนี่ยคือมันในช่วงฟิลนั้นคือมันช่วงที่แบบอันนี้มีใครเลยอ่ะจากวันหนึ่งคือเด็กที่ต้องโทรหาพ่อทุกวันว่าวันนี้เรียนเป็นยงบ้างครอบครัวไม่มีใครให้เราอบอุน่นใช่<า>เลี้ยงแม่ก็ไม่ได้คุยกันแล้วหนึ่ง<ม>เรื่องเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการงานครับการงานเราก็อะไรอ่ะ เงินกี้เราเงินมีล้มหมดเลยสามคือความละสามอย่างนี้ประดังเข้ามาในชีวิตเราผมรู้สึกว่าคือผมว่านั่งอยู่ระเบียงชั้นสามถ้าเกิดถ้าเกิดผมโดดลงไปเนี่ยจะตายไหมคุณอยู่คนเดียวและทุกอย่างไม่มีอะไรดีสักอย่างใช่ใชเวลานั้นคุณกําลังคิดว่าโดดเลยดีกว่าจะได้จบจบไปใช่เพราะคนเราไม่ไม่มีความหวังในชีวิตผมคิดช่วั้นว่า ลองหนึ่งทีแล้วกันแต่ไม่รู้ลองอะไรด้วยไม่รู้ลองดูเพราะเรารู้ว่ากระโดดไปตอนนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะตายชั้นสามเนี่ยถ้ามันไม่ตายเนี่ยใครดูเราต่อโดดงไงต่อเราไม่ตายยังจะโดดไปอีกใช่ไหมใช่คุณมั่นใจว่าโดดแล้วตายคุณจะโดดหรอใช่ถ้าเปลี่ยนจะเป็นคอนโดชั้นชั้นสิบห้าชั้นน่ะคนก็คงไม่อย่างที่ช่วงข่าวช่วงนั้นน่ยมีคนโดดถ้าเราตายกันเยอะก็เข้าใจจริงผมทํายังไงแล้วเพราะเราไม่มีกินเนี่ย ผมเหลือแต่ในตัวที่ตอนนั้นยำเข้าหรือแค่ร้อยเดียวครับเอร้อยเดียวเจ็้อเดียวจะทำไงมันอยู่ได้สามวันใช่ครับช่วงนั้นเนี่ยเราทําอะไรกินเราก็ไม่รู้ทําอะไรกินผมก็โทรไปขอเงินว่าเนี่ยอาม่าผมขอตังค์หน่อยแล้วกันพีผมจะไปทํำขายขาลูกชิ้นไปเห็นอะไรนะครับคือผมเนี่ยเห็นรถเข็นซาเล้งบาร์บี큐อ่ะเข็นอยู่แล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยพี่ขได้วันเท่าไหร่แกบอกว่าขายได้วันละพันกว่าบ พันกว่าบาทแล้วพี่ทำยังไงอ่ะอ๋อของเฮียของเท่าแก่เท่าแก่มีชายเท่าแก่มีร้อยอคันพี่เป็นคนขายเขาตัดพี่สี่เอร์เซ็นตัดพี่สี่สิเปอร์เซ็ตปุ๊บผมอ๋อถ้าวันละพันกว่าบาทเออเฮียเหลือหกสิบเฮียกำไรวันหนึ่งสักสัก้าตัดสี่สิใช่ไหมเหลอหสิเปอร์เซ็นหกสิเปอร์เซ็แล้วมีร้อยคันต้องลูกชิ้นรอดแน่ๆก็ คุณอยากเป็นเฮียใช่ไหมคุณไม่อยากเป็นใช่ผมเนี่ยตีสี่ตห้าเนี่ยผมก็ต้องไปนั่งเสียบทุกชิ้นเพราะผมต้องลองเทสต์ดูว่าจะทําได้หรือเปล่าซื้อไม้ไปตลาดท่าน้ํานนท์ซื้อลูกชิ้นมาซื้อไม้มาเสียบเองเสียบเองทําเองออกกี่คันครับเริ่มต้นคันเดียวครับคันหนึ่งนนึกภาพเลว่าผมก็ก็เราเพิ่งเริ่มต้นอาชีพซาเล้งปั่นเนี่ยปั่นทั้งวันมันปั่นไม่ไหวคือมันปั่นขึ้นสะพานถ้านังก้าเย มนต้องเเดิข็ใช่มันไม่ไหวผมไปด้วยใช่ไหมผมไม่ไปผมก็จะดูดูว่าเทสคนคันแรกเป็นไงบ้างคนเมบ้างทํามาอยู่มันสักสามอาทิตย์เป็นไงบ้างเจ็งไม่เป็นท่าเลยอแล้วทำไงตอว่าลูกชิ้นมันไปต่อไม่ได้ผมก็ไปนั่งอ่านหนังสือไทยรัฐแวบหนึ่งออตโนมัติทันทีรับของทันทีของเงินผ่อนผมค่อยลูกนี้ผมเนี่ยโทรซื้อทีวีตู้เย็นขัดดอกเบี้ยอยของเงินผ่อนนี่ก่อนนี่กอกซื้อทีวีจ่ายเดือนละ ห้ายบาทใช่กับบริษัทสินเชื่อเมื่อ10กว่าปีก่อนเพิ่งเพิ่งเข้ามาตอนนั้นนะฮะเราก็เอ๊ะทำไมสินค้าหนึ่0หมืนบาทมาขายหม0 0นบาทขายได้ยังไงเราก็เลยเดินเดินไปหาทําร้านค้าบอกว่าเออเฮียผมขอส่งร้านส่งลูกค้ามาให้เฮียได้ไหมถ้าสินค้าราคาน่าร้านเนี่ยผมขอบวกเองแต่ส่วนต่างไม่ให้ผมใช่ส่วนต่างไมให้ผมนะ ผมก็ลองทําผมก็เอาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเหมือนเดิมลงเหมือนเจ้าเดิมที่ทาอ๋อคุณทําตัวเป็นคนนั้นแหละใช่ใช้วิธีลงสื่อเอาใช่แล้วไงมันก็มีลงเพื่อให้คนโทรมาหาเราใช่ผมเนี่ยฝึกผมได้จากการประกันชีวิตสอนผมถ้าเกิดผมบอกสวัสดีครับเออร้านลุงกิจตนาเซอร์วิทครับในรับใช้ครับครับคุณดูด้วยครับผมั้เป็นออฟฟิศใช่ไหมไม่ก็เป็นออฟบ้านถุง่ิ้มถุงยิ้นั่นแหละแล้วก็โต๊ธรรมดาโทรศัพท์5เครื่อง เราสาหาเครื่องรับเองหมดรับเองหมดแต่หมวา่าพอรับสายเนี่ยเราเป็นทำเป็นร้านเลยใช่เขาก็จะาโอเคผมก็เชื่อมั่นแล้วขแล้วคุณดูบอกสมุดผมจะชื่อทีวีอ๋อทีวีหรอครับกี่นิ้วดีครับอ่าห้าสีิ้มีไม่มีนครับสมัยนั้นยังไม่มีเลยพึ่งีโอเคทีแ่เยื่อนี้อ๋อ้เยื่อนนิ้วครับเ0 0ดบาทครับส่งถึงที่เลยครับต่อเดือน700บาท้ายถูกถ้าไม่คูนไม่คูนไม่รู้ที่บนบ้านอัจฉชนนะครับส่งแสกมาเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ผมส่งของให้เลยคร ก็เหรอเออดึงได้ดีนี้ให้ครับไอคนหนึ่งมาโทรศัพท์ก็วุ่นวายลงคอลัมน์เล็กๆ2อคนหนึ่งนิ้วในในหนังสือพิมพ์ร า, ายวัน<ด>ใช่เดี๋ยวนะโทษเราเพิ่งปล่อยกู้แล้วเราไม่ได้เงินคืนเนี่ยครั้งนี้ห่วงไมะ โดยผมไม่ผ่อนเดือนละเจ็ร้อยอ่ะเขาไมผ่อนกับโดยสัทสินเชื่อเราเหมือนเราเหมืนเป็นนาหน้าเราเหมือนเซลล์อะครับเราเราเราเป็นเซลล์หน้าที่เก็บเงินเนี้ใช่ใครคนอื่นไปสิวันเราก็ไปเคลียร์กับเฮียทีหนึงเฮียนี่คือร้านใหญ่เลยร้านใหญ่เพราต้องคุมร้านเล็กๆเป็นส่งให้ร้านเล็กๆเยอะลูกสาวแกก็เดินมาพี่พี่เป็นเจ้าของร้านไหนอะลูกเจ้าของร้านไหนหน้าตาดีจังผมไม่ใช่ที่เป็นเซลล์โอ้เซลล์ไม่คุยหรอกเหมือนเหมือนเราเกียเลเราก็งงเราก็บเราก็อึ้งอ่ะอึ้งบอก อะไรเนี่ยอผมก็ไปรอเฮียก็ไม่สนใจก็เดินเข้าไปเฮียเดินเข้ามาบอกว่ามาทำไม ย, ยังวุ่นวายอยู่ของยุ่งอยู่ก็ก็มานัดเฮีย น, นี่ครับก็ามาเบิกเงินไม่บ้างเอาแค่นี้พอละเอาแล้วเราก็ต้องจ่ายลูกน้องเราอะ่ะต้องจ่ายค่าโฆษณาเนี่ยมันมีความกดดันนะก็อ่ะก็รู้สึกรู้สึกแต่เราก็เข้มแข็งเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะตื่นมามนได้เงิน ผมทำงานอย่างเงี้ยเนี่ยเช้ามาตื่นมาสวัสดีครับว่มันยังมองเห็นรููทางใช่ไม่เห็นลู่ทางมีแสงสว่างผมทำงานอย่างเงี้ยเนี่ยมาประมาณได้หกเจดเดือนผมก็มีความใฝ่ฝันสเต็ปต่อไปผมอยากเปิดร้านเ้องใช้ไฟฟ้าของเองผมจะไม่เป็นช่างเฮียใช่ผมจะไปเป็นเฮียได้ทำยังไงผมเป็นเฮียได้ก็ใช้วิธีว่าของโชเนี่ยเอาบัตรเครดิตปิดกู้บริษัทสินเชื่อเข้ามาเพื่อได้เห็นแอร์โชวหน้าร้านอยู่ตรงทางงามบางวานนะครับเก่าๆสมๆแบบ เราเรียกว่าประพอสองคราโลกได้ฮะใช่เ<ช>ข่ามากใช่โชว์ปุ๊บเราก็ทำเรื่องยื่นไปทางบริษัทสินเชื่อก็โอเคผ่านผ่านหน้าร้านผ่านวันนั้นแหละคือวันที่ที่เปลี่ยนชีวิตผมได้เยอะเลยเปลี่ยนไปเลยช่วงนั้นเราก็ทำเงินอยู่สองคนบริษัทย่อยขายสั่งของวันละสิบเครื่องสิเครื่องเนี่ยมีทั้งบริษัทมีสองคนค รับโทรศัพท์ตั้งแต่แปดโมงเช้าจนหกโมงเย็นคุณอ้อฟกลับบ้านไปกลับบ้านผมก็ได้หบทสายเข้ามาให้บ้านตีหนึ่งตี2อตี3ผมรับโทรศัพท์เงี้ยตลอดนอนก็สวัสดีครับรุ่นกิจธนาสุขคือมั น, ม, นมันชินอย่างการเงี้ยตื่นมาก็ทํางานนอนก็ทํางานช่วงนั้นยาวแค่ไหนฮะช่วงนั้นประมาณ3ปีถึง4ปี3ปีกว่าที่นั้นของเงินผ่อนซื้อขายกันอุตลุลเลยอุตลุลขายดีมากสมัยก่อนเมือ่อเมื่อ14ปีก่อน ตอนนั้นไม่มีพาเพียงไงอืมใช่ครับตอนนั้นไม่มีก็กู้เงินกู้เงินเข้าไปก็โอ้โหขายกันแบบเราจะทํายังไงเราอยากขายแอร์จังเลยคอยากขายแอร์ใช่แล้วแอร์แอร์นี่มันเคลื่อนย้ายไม่ได้อ่าราคาสูงเี่จะทําไงอยากขายแอร์อยากมีแบรนด์แอร์ของตัวเองเพราะมาชิ้นสูงมากคือสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้แอร์เครื่องหม่นจับาทสมัยก่อนคนติดแอร์เครื่องสามหมื่นสี่มืนแอร์โนเนมจะเยอะมากก็ไปเรียนไปล้มลุกคลาจ้างช่างมาหนึ่งคนจ้าง จ้างจากที่อื่นที่อื่นมีมีมีร้านอยู่แล้ ว, ลวก็รับมารับมาแล้วก็ไปดูไปดูการติดตั้งทํายังไง<ม>แล้วประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่กลับมาอยู่กลับมาอยู่ที่ที่ที่ที่อยู่กับเราที่ับผม ช, ช่วงที่เราไม่มีวันที่สุดเนะ่แต่ผมว่าเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดนะคือคือช่วงนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บคือ เคยเจอได้อยู่บรรยากาศแบบนี้มาก่อนใช่ตอนเรียนก็ไม่ได้นานหรือนานมากแล้วใช่ไหมฮะแล้วมันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ช่ได้แบบตื่นมาตอนเช้ามีทำกับข้าวให้กินมีถามว่าวันนี้เป็นยังไงใช่เช้าตื่นทำข้าวปุ๊บทำข้าวเปนงานกินเราเข้เราเข้าร้านปุ๊บเนี่ยเราก็ก็ตื่นมาได้วันละเท่าไหร่เราคิดเยอว่าเราตื่นได้เงินตื่นมา แม่เราเข้าวกินคนงาน ก, กินหม้อหนึ่งกินทั้งบ้านลูกน้องกินด้วยกันหมดเย็นกับบ้านพร้อมกันกึกเข้ากเก่าแล้วก็เรียนรู้ได้อยู่นั่นนะ่ะครับจนเราสึกว่าเอ๊ะต้องติดตั้งแอร์ต้องเรียนรู้แอร์ทำยังไงคือคนเราเนี่ยมันต้องสู้ใช่ไหมฮะแรงก็เปเรียนรู้ประกอบแอร์ประกอบแอร์ชั่นเนี่ยชั่นก็ไม่บอกเราก็ไปกับมันตีสองตีสามรู้ปุ๊บอ๋อประกอบอย่างนี้ ต้องเอาของดีชิ้นนั้นนั้นถ้าอยากได้ลูกค้ายด้ของดีดอับราคาได้ใช่ของดีเรียนรู้การประกอบแ อ, อเองบำนำทุกอย่างติดหนึ่งตีสอง3ีสาแล้วก็รถจะไม่มีติดๆิเราก็เอาเอารถรถเราซื้อรถมาคันหนึ่งรถเก๋งสองแสนกว่บาทซื้อมาก็เอารถขนแอร์ไปด้วยข้างหลังติดแอร์ แล้วลูกค้าถามเอ้าทำไมรถอารถเก่งก็มาติดล่ะมันต้องเป็นรถกระบะอ๋อรับเพิงโทษที่รถเสียแต่ลูกค้าลูกค้าวีไพีไม่ได้นัดเราเสียไม่ได้ก็ก็เอาไปติดก็ติดอยู่วันเดือนกว่าก็มีเงินดาวดาวแล้วก็ดาวรถมาติดแอร์ช่วงนั้นผมขายแอร์เนี่ยตกลงคุณติดแอร์เป็นแล้วใช่มเป็นเป็นนะเป็นกลามาเป็นธุรกิจพันล้านได้ยังไงคือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมนัดทานข้าวก็ที่ร้านอาหารก็มีสามคน คุณหมอแล้วมีคุณพัดเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนคุณหนึ่งใช่ครับคนที่2คุณหมอคุณหมอคุณหมอวุฒิศาสตร์ใช่แล้วคุณพัดคุณพัดเป็นใครครับก็เป็นทุ้นสุวอีกคนหนึ่งครับสามคนนั่งนั่งทานข้าวแล้วก็คุยกันไปถึงคือที่มาเจอกันนี่ไม่ได้ว่าจะมาคุยว่าจะตั้งร้านไม่ไม่แกก็คุยกันพูดคุยกันผมก็บอกว่าผมอยากให้สองคนนี้หุ้นกันนะทําเถอะดูผมสิหมายควาว่าอะไรเชียร์เชียร์เขาให้หุ้นกันอย่ามายุ่งกับผมนะ งานผมเยอะอยู่แล้วอย่ามายุ่ง<ะ>ผมเนี่ยความใฝ่ันผมคือโรงงานแอร์ผมอยากมีโรงงานประกอบแอร์ของตัวเองเสร็จผมก็ดิ้วกันไปดิ้วกันมาผมก็เดินเข้าห้องน้ำปุ๊บคุณพัดจะบอกเอาเอกหุ้นด้วยนี่คือที่มาที่มาของของวันนั้นจนวันนี้คือเอาเอกหุ้นด้วยครับตกลงคุณมีกี่หุ้นฮนะสามหุ้นสามหุ้นคุณส่วนสามคนนี้เป็นวัยยี่สิกว่าทนะัหมดเลยตอนที่มมผมเปิดเนี่ยผมมายุวันย<ะ>ี่สิบห้าแล้วก็คุณหมอจะอ่อนผสองปี แต้องบอกก่อนนะคนเราเนี่ยอย่าดูที่อายุครับเพราะว่าต้องดูที่ว่าการทํางานของเขาประสบการณ์การทำงานแบ่งหน้าที่ยังไงในสคนใครเด่นด้านไหนคือผมจะดูการตลาดคุณรวมเจะเป็นคนรักษาใช่การเงินทั้งหมดคุณนี่การตลาดการเงินการตลาดภาพรวมแล้วคุณพัชคุณพัชจะดูออกแบบสถานที่คือคุณหมอทีมของใช่จะเป็นยังไงอะไรจะยังไงก็สาขาแรกเนี่ยเปิดมา เจ๋งไหมว่าแต่ทุกคนที่ผมมีร้านเครื่ใช้ไฟอยู่แล้วครับกําไรก็เยอะอยู่แล้วคอนเซ็ปทําให้ดีที่สุดไปเลยบางคนเนี่ยทางด้านหมอเนี่ยฟิลหมอนี่หมอจ๋ามากคือไม่รู้ทุกอย่างเนี่ยต้องดีที่สุดคือเป็นคอนเซ็ปของเขาเนียเป็นสนของเขาเขาทําแบบนั้นมาคือเราดีที่สุดอย่างอย่างคนเนี้ยหุ้นส่วนที่สามคนใจเย็นว่าไงก็ว่ากันแต่เป็นคนจเย็นทั้งสองคนคนร้อนผมก็เร็วเร็วเรื่องแบบ เขาตกลงแล้วสองหุ้นนั่งกินข้าวกนอมผลตอบรับดีนะจะเปิดสาขาสองสักปีหน้าดีกว่านะครับครบเดือนผมเปิดเลยแห่งที่สองไม่รอปีหน้าเจ้าเงินที่ไหนล่ะผมก็เข้าไปหาพื้นที่เองเดิน๊อกๆไปหาเมื่อสิบปีแล้วเนี่ยเราไปหาที่พื้นที่ตรงพาตา้านั่งก็ไม่มีมัดจำที่เป็นร้านอะ่ะมัดจาเป็นร้านจะใ้ไหนอะ่ะแทนมัดจเป็นร้านยังพอกู้เงินได้แต่ประเด็นคือเขาไม่ให้อีก ผมก็ใช้คุซโซบายก็เอาก็เบนซ์ที่มีอสองผมซื้อขับเลยขับไปจอดหน้าร้านตอนขับต้องดูวิเฮียอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้าเฮียไม่อยู่เีเฮียเฮียไม่อยู่เดี๋ยวเฮียไม่เห็นรถอ๋อสร้างความเชื่อมั่นสร้ความเชื่อมั่นก่อนเจวันกุี่ศักดิ์ขึ้นมาเดินๆข้างนอกเมื่อสิบปีก่อนเป็นสาขาที่สองปัจจุบันมีกี่สาขาร้อยครับหนึ่งร้อยสาขาประมาณร้อยสาขาคนสักกี่คนสามพันคนรายได้นี่ประมาณเท่าไหร่ฮะหลายพันล้านครับ รายได้ไม่เท่าไหร่หรอกครับไอ้รายจ่ายอะก็เยอะด้วยก็นแน่นอนรายจ่ายเยอะรายจ่ายเยอะแต่ข้ อ, อย่างที่บอกสาเร็จสูงสุดหรือยังครับยังยังยังเพราะว่าผมยังไม่หยุดมีข่าวว่าคุณจะเปลี่ยนอีกแล้วเหรอฮะผมไม่ได้เปลี่ยนหรอกครับแต่ถามว่ามันแค่ช่วงเวลาเหนื่อยแค่เองคืออย่างตอนนี้ขึ้นมาว่าคุณจะไม่ไม่เป็นอยู่ในฐานะผู้มุ่งส่วนแล้วคือตําแหน่งผมตอนนี้คือเป็นประธานเจ้าที่บริหารใช่ไหมฮะแล้วผมก็ก็ก็คุยคุยอยู่ถ้าเกิดมีคนมาขอซื้อผม เนี่ขายไหมหลายคนใช่ทั้งหมดใช่หรอใช่ซื้อบางส่วนยทำไมอ่ะหรือว่าต้องซื้อหมดซื้อหุ้นหนึ่งเนี่ยคือคือคือไม่คือคือไม่ได้ขายเพราะว่าคือขายบ้างเพราะอยากพักก็ออกมาเลยไปทําอะไรคผมเนี่ยคืออยากทํารีสอร์ทส่วนตัวแต่รู้นะว่าขาดทุนถ้าอยากบริการอ่ะคืออยากใช้ชีวิตอยู่ในที่ใช่ที่ที่คนเข้ามาบ้านผมเนี่ยเหมือนมาเยี่ยมมาเยี่ยมผมรู้สึกว่า ทำให้ผมมีความสุขอะมีอะไรจะบอกคนที่กําลังรู้สึกว่าล้มลุกคุกคานเลอะเกินคือจริงๆอะเรามันมีง่ายคิดหลายอย่างคือหนึ่งที่ผมใช้ประจําเนี่ยคําว่าไม่ไม่ได้ทําไม่ได้คิดคือทําอะไรก็ได้คุณคิดคุณคิดก่อนแล้วคุณอย่าเบรกความฝันตัวเองออย่าเบรกความฝันตัวเองว่าเอ๊ะขอให้เปิดร้าลูกชิ้นแล้วถ้าวันนั้นลูกชิ้นมันทำได้ละ่ะผมอาจจะมีสามร้อยสีสาขาหรืออาจจะมีเท่าเซเว่นแล้วก็ได้อื สมมตินะคุณอยากอยากายที่คุณจะฝันน่ะแล้วคุณทําต่คุณทําไม่จริงคนบางคนคิดว่าฉันทําจริงแล้วหกโมงเย็นฉันจะเนอนก่อนเย็นตื่นมาเช้าทํางานอย่าดูถูกพลังของตัวเองใช่และก็อย่าทําไม่จริงใช่ต้องทำอะไรต้องทำจริงใช่ว่าทําจริงแล้วเราต้องรู้จริงในทุกๆเรื่องและต้องหาช่องว่างของธุรกิจนั้นให้ได้อย่าทําตามคนอื่นต้องหาจุดอื่นฉีชกออกไปเพราะคุณจะสู้แบรนด์ใหญ่ไม่ได้ นะสักวันจะไปเยี่ยมที่รีสอร์ทนะครั บ, รบผมเชื่อว่าทําได้แน่เพราะเวลาเขาตั้งใจเขามักจะทําได้ครับคง <c oughs> ไม่นานนะฮะครับขอบคุณครับถ้าถ้ามีคนมาคุยกับผมนะ <c oughs> คงมีครับคงมี <c oughs> นี่เป็นกําลังใจจากคนคนหนึ่งที่วันนี้ดูเหมือนจะประสบความสําเร็จแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะมีความพยายามมีความฝันต่อไปเรื่อยๆก็หวังว่านี่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นแรงผลักดันให้ท่านผู้ชมได้รับกําลังใจอนี้นะครับครับขอบคุณคุณนากรมากนะครับ